เราเกิดมาทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์จะมีอยู่สามอย่างประโยชน์ตนหนึง่งประโยชน์ผู้อื่นหนึง่งประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานหนึง่งหรือว่าประโยชน์ในโลกนี้หนึง่งประโยชน์ในโลกหน้านึง ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเองนี่คำว่าประโยชน์มีอยู่สามอย่างอย่างนี้นะให้พากันเข้าใจก่อนอื่นมันต้องบำเพ็ญประโยชน์ตนนี่แหละก่อนทำยังไงตนจะมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณก็เอาไปฝึก ใจตัวเองไปสอนใจตัวเองไปก็อย่างนั้นแหละจะให้คนอื่นนั้นสอนให้อยู่เรื่อยไปนั้นคงจะไม่ไหวหรอกคอยคิดจะนี้ก็แล้วกันตัวเองแหละสอนตัวเอง ตัวเองสอนตัวเองนี่ดีกว่าผู้อื่นสอนเพราะว่าตนเองสอนตอนเองนะ่ะตนเองก็เชื่อตอนเองได้แต่ mm. ว่าสิ่งนี้ไม่ดีนะไม่ควรทำอย่างนี้นะถ้าทำแล้วมันนำทุกมาให้ถ้าตนได้คิดขึ้นมาอย่างนี้ได้ ตนก็ต้องรู้ตัวอะไรแบบนี้นะรู้ตัวโอจริงนะทำอย่างนี้มันนำทุกข์มาให้จริงจริงอย่างนี้นะมันก็งดเว้นก็ไม่ทำไม่พูดไปเรื่องเช่นนั้นอันผู้อื่นสอนนี่สอนไปผู้ผู้ฟังฟังไปเมื่อท่านสอนจบแล้วก็เลี้ยวไปไม่ได้น้อมเข้าไปสู่จิตใจ ไม่ได้เอาอุบายที่ท่านสอนนี่ไปสอนใจตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแล้วดี๋ย ว, ว่ามันมันก็ละกิเลสมาได้แหละเป็นเช่นนั้นนะผู้ชนะกิเลสได้มันต้องจํำอุบายธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็โอปัญญโกก่อนน้อมเข้าไปหาความรู้สึก นึกคิดอันอยู่ภายในนั่นที่เราเรียกกันว่าจิตอะไรน้อมเข้าไปสติและน้อมเข้าไปะละลึกเข้าไปหาดวงจิตคือธรรมชาติรู้อันนั้นแหละให้มันไปรู้อยู่ในจิตโน่นอย่างนี้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำก็มันรู้อยู่ในความรู้อันนั้นหมายก็ว่างั้นคนละอย่างนี้นะ เมื่อจิตมันรู้อย่างนั้นชัดๆแล้มันก็ละได้นี่นะผู้ใดยังลากความชั่วบางอย่างยังไม่ได้อย่างนี้แต่ใ น, นเมื่อ น, น้อมเอาความชั่วระนั้นเข้าไปถึงจิตแล้วก็ไปสอนจิตเข้าไปนี่นะนี่เรียกวความชั่วนี่นะถ้าขืนทําลงไปอย่างนี้มันจะต้องได้ประสบกับความทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะ เมื่อไปสอนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็รู้สึกตัวได้ตื่นตัวเออเป็นความจริงเนี่ยเราจะไม่ทำมันต่อไปอีกแล้วอย่างนี้นะมันก็ละได้การละกรมชั่วนะ่ะถ้าคนรู้จักสอนตัวเองอย่างว่านี้นะผู้ใดไม่มีอุบายสอนตัวเองแล้วไม่ได้เช่นอย่างถูกบุรีอย่างว่านี้ ถ้าผู้ใดมีอุบายรู้จักสอนตัวเองว่าบุหรี่นี่เป็นพาหะเป็นพาหะนำเชื้อโรคเข้าไปสู่ตับสู่ปอดไม่ใช่เป็นของดีสูบมากๆเข้าไปแล้วก็กินบุหรี่นี่นะมันจะเกิดมีอิทธิพลขึ้นทำลายตบปอดให้เสื่อมคุณภาพไป คนที่เป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งต่างๆมันเนี่ยมันก็เกิดจากหลายทางเกิดจากการท่องเสพของเสพติดให้โทษนี่ก็ทางหนึ่ง อ, อย่างนี้แหละเกิดจากการ ไปบริโภคอาหารอันมีพิษอันอาหารที่มันก่อให้เกิดโรคมะเร็งมันก็มีอยู่ อ, อย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยกรรมด้วยเวรของคนผู้ใดมีกรรมมีเวรได้ทํามาแต่ชาติก่อนกรรมเวรนะั้นมันก็ตามสนองเอา ก็ทําให้เกิดโรคมะเร็งได้แต่เข้าใจว่าโรคมะเร็งนี่เป็นโรค ก, กรรมโรคเวรในอดีตหนหลังมากกว่าเพราะว่าหมอเขาหายาไม่พบเลยค้นว่าหายาไม่พบเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดถ้ามันรักษาไม่ได้ก็ให้โยนให้กรรมเท่านั้นแหละกรรมเวรหนหลัง มันตามมาสนองเอาใครไปกาจัดเวรกรรมของใครไม่ได้เลยผู้ใดทํากรรมชั่วมาในกรรมชั่วมันตามสนองผู้นั้นก็ท่องเสวยทุกทนทรมานไปจนกลัวว่ากรรมชั่วนั้นมันจะหมดอายุลงมันถึงจะพ้นทุกอย่างนั้นมาได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึางสอนให้เบื่อนายต่อกรรมชั่วอย่าไปชอบทา เมื่อทำทีแรกนี่มันก็ยังไม่ให้ผลดูมันดีดีอยู่อย่างนี้เนี่ยเมื่อมันถึงกาลเวลามันให้ผลมาแล้วนั่นสินั่นแ่ะมันจึงค่อยรู้สึกตัวได้ก็โอ้กรรมของเราโนอเพราะว่าใครก็ช่วยไม่ได้บันนี้อย่างนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเพื่รู้ว่ากรรมของเราน่นนี่มันแก้แก้ไม่ได้แล้วมันสายแล้ว มันก็ต้องได้สเสวยทุกขเวทนาไปอยู่นั้นยนะ้อนบทเขตของกรรมของเวนอันนั้นเมื่อใดนั่นแหละมันจึงพ้นไปได้แม่บุญกุศลหรือว่ากรรมดีกว่าดีถ้าบุคคลใดเมื่อมีอุบายสอนใจตัวเองให้ชอบให้พอใจในกรรมดีเช่นนี้มันก็ทำกรรมดีไม่ได้ เรื่องมันนะเพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าใจไม่ชอบกรรมดีอย่างนี้นะมันก็ไม่ทาไม่ทากรรมดีเพราะมันเป็นใหญ่เป็นประธานของกรรมดีกรรมชั่วนี้ถ้าใจมันไปชอบกรรมชั่วมันก็ไปหาทากรรมชั่วใส่ตัวถ้าใจมันชอบกรรมดี เบื่อคำชั่ว น, นี่มันก็ละคำชั่วได้ก็ทำกรรมดีใส่ตัวเองเลื่อยไปไม่ท้อไม่ถอยผู้ใดทำดีไปเท่าไรผลแห่งความดีก็ปรากฏในใจใจเบิกใจบานใจชุ่มเย็นก็ยิ่งดูดตื่มในการทำความดีก็ไปเรื่อยๆอ่เป็นอย่างนั้นเรื่องมานนะ่ะ คำดีนี่คำชั่วก็ดีมันให้ผลทางคิตใจสำหรับในปัจจุบันนี้นะก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วทําให้จิตใจเบิกบานผ่องใสแต่มันจะให้ผลทางรูปวัตถุนั้นยังให้ไม่ได้อืม ก, ก็ต้องเข้าใจมันแจ่มแจ้งในเรื่องนี้นะเมื่อผู้ใดเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างว่านี้แล้ว แล้วก็ทำบุญกุศลทำความดีไปไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรแล้วผลมันก็ปรากฏอยู่ในใจอยู่แล้วนี่ใจเย็นใจสบายอยู่แล้วแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรแล้วไอ้ส่วนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกนั่นมันก็เกิดด้วยบุญกรรมที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนมากหรือน้อยเท่าไห มันก็มาอำนวยผลให้ได้มากหรือน้อยเท่านั้นแหละตนจะอยากได้มากกว่านั้นมันก็ไม่ได้เพราะว่าตนได้สร้างบุญกุศลความดีมาแต่ก่อนมันน้อยมันไม่มากอย่างนี้นะแล้วไปอยากให้มันรวยเอาง่ายๆอยากให้ได้ผลมากๆเข้าไปตามเป้าหมายอย่างนี้ไปได้อย่างในตัวทำความดีแต่ชาติก่อนน้อยไปนี้ ผูไดดรู้อย่างนี้แล้วในชาตินี้ก็ตั้งใจทำความดีลงไปแต่อย่าไปหวังผลว่าให้มันร่ำรวยให้มันมีเงินทองเข้าของให้มีลาบมียศอะไรต่างๆ น, นานาอย่างนี้อย่าไปมุ่งอย่างนั้นเราทำบุญกุศลทำความดีเราต้องมุง่ง ให้บุญกุศลความดีชำละจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดก็พอแล้วต้องตั้งเป้าหมายลงอย่างนั้นเพราะเมื่าจิตใจดวงนี้ผ่องใสสะอาดปราศจากบาปประทำรรมมันชั่วต่างๆแล้วอย่างนี้นะถึงจะมีทัพภายนอกมากมายหรือมีน้อยมันก็ไม่เดือดร้อนอะไระเมื่อใจมันสบายแล้วนะ ไม่เดือดร้อนอใจมันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณแล้วอย่างนี้นะมีอะไรมันก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นตามมีตามเกิดตามเท่าที่ตนแสวงหามาได้โดยนำพักนำแรงโดยทางสุจริตได้มากหรือได้น้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแล้วก็สบายใจมันก็ไม่เดือดร้อนอะไร ปัญหามันก็ไม่รุกรานจิตใจให้คิดปรุงแต่งอยากจะได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดต่อไปนี่ชาวพุทธทั้งหลายมันต้องหาความสุขใส่ตัวเองอย่างนี้ต้องมีปัญญาต้องฉลาดเห็นว่าตนมีทรัพย์น้อยไม่มากเหมือนคนอื่นเขาก็ไปเมาตะวิตกวิจารณ์น้อยเนื้อต่ําใจอยู่อย่างนั้น ไม่เป็นอันหลับ unknown. อันนอนมีแต่คิดหน่อยเนื้อต่ำใจว่าตอนนี้นะทำไหมจึงด้อยกั่วเพื่อนเกิดมาในชาตินี้เนี่ยเคยมีมีคนวิตกวิจาร์อย่างนี้แลว้วหรือว่าไประ บ, บายอารมณ์ให้เพื่อนฟังอยู่มีอยู่ในโลกอันนี้นะ พูดเชะ น, นั้นเร็ว่ามันไม่เชื่อบุญเชื่อกรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละจึงอยากจะพูดย้ำแล้วย้ำเล่านั่นแหละอืมถ้าใครเชื่อบุญเชื่อกรรมที่ตนทำรร ม, มาแต่ก่อนแล้วก็มาสมทบในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างนี้มันก็ไม่มีตกวิจารณเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยออืมาบุญของตอนมีเท่านี้มันก็ต้องอาศัยเพียงเท่านี้แนะ่ะอพรานั้น มันจะไปทะเยอเ ธ, อธอยานเกินขอบเขตอันนี้ออกไปแล้วก็ได้ไปทำบาปเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าทำบาปแล้วจะมีประโยชน์อะไรมีแก่แต่ทุกข์แต่โทษเมื่อมันสอนใจได้อย่างนี้มันก็ไม่ทเยอทะยานออกนอกถินนอกธรรมออกไปการทำมาหาเรี่องจีบอย่างนี้คุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมของพระโตดาบัน ผู้ยังคลองเรือนอยู่เป็นอย่างนั้นพระโสดาบันที่ยัคลองเรือนอยู่ท่านไม่ประพฤติผิดศีลธรรมนะแสวงหาเลี่ยงชีพอะไรก็ดีในการเข้าสังคมใดๆก็ดีก็ไม่ลืมตัวคนเขาจะทักชวนไปทำชั่วท่านก็รู้ตัวแล้วก็ไม่ทำไม่ไปอย่างนี้ถ้ามีใครชวนทำความดีนั้นเอา พรก็พอโสดาบานันรูร้แจ้งในความดีความชั่วได้เต็มแจ้งโดยปัญญาแล้วดังนั้นใครจะมาจูงจมูกไม่ได้เลยมีแต่ปุถุชนคนเรานี่แหละทําให้คนนักเลงทั้งหลายเขาจูงจมูกได้ก็ความไม่มีปัญญานั่นเองนะไม่มีปัญญาก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ฝึกจิตใจให้ส ง, งบ ระงับจากกิเลสปอกธรรมเหล่านั้นแล้วอย่างนี้จะเอาปัญญามาแต่ที่ไหนอยากมีปัญญาโดยไม่ต้องทำอะไรจู่ๆแล้วก็ให้มันรู้มันฉลาดขึ้นไปในอดีตอนาคตไปเลยอย่างนี้แต่นี่มันมันง่ายเกินไปแบบนั้นนะพูดง่ายมันฟังยากแบบนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมัน เกิดจากเหตุถ้าตนไม่ทําเหตุให้สมดุลกันอย่างนี้มันจะเกิดผลคือปัญญาก็ไม่ได้เลยอือก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อตนต้องการปัญญาในทางธรรมมันก็ต้องทําใจให้สงบระ ง, งับลงไปให้ได้ไม่ให้ใจมันป่วนปัน่นไหวไปภายนอกควบคุมให้อยู่อย่างนี้นะ เพิกจิตใจให้หยุดให้ยั้งความคิดต่างๆได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนเอา้าถ้ามันอยากคิดเรื่องอะไรอะไรไปวันนี้ก่อนเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็โน้มสติเข้าไปเตือนจิตหยุดคิดไม่ต้องคิดเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์อะไรคิดไปทําไม เมื่อไม่มีธุระอะไรแล้วในปัจจุบันนี้เราก็หยุดคิดทําจิตให้ว่างจากเรื่องราวต่างๆให้ได้อเมืม่อทําจิตให้ว่างจากอารมณ์ต่างๆได้อย่างนี้มันก็สบายจิตก็รวมลงได้สงบลงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละเพราะว่า น, นมีกิเลสสาหรับ มากั้นกลางไม่ให้จิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้มันมีอยู่กันยังว่าอย่างนี้ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี่ความรักความชังความว่วงเหงาเหาโนนความฟุ้งซ่านลำคาญความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญกุลบุญท้ต่างๆพวกนี้นะล้วนแต่เป็นเครื่องผัดขวางมาให้จิตใจรวมเป็นหนึ่งลงไปได้ ทำให้ใจวิตกวิจารณ์ว่าเรื่องนี้ไปยังไงหนอเรื่องนั่นไปยังไงหนอโย่อย่างนั่นเลยนายนใพากันกรวดดูจิตใจตัวเองมันมีกิเลสห้าอย่างนี่เนะี่ยอย่างไดอย่างหนึง่งรบกวนจิตใจหรือไม่ในขณะที่ตนนั่งภาวนาอืมันก็รู้ได้โดยตนเองเนี่ยคนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอก น, นั้นทุกคนนั่งภาวนาแล้วต้องให้รู้ว่าเมื่อท่านภาวนาลงไปนิวรณธรรมอันไหนมันมีกำลังแรงกว่าอันนั้นแหละมันจะโผล่ขึ้นมาสกัดกั้นไม่ให้สติย่างเข้าไปหาจิตไม่ให้จิตมันสงบระงับลงได้แล้วสติความระลึกนันก็ ถ้ามันอ่อนแอมันไม่เข้มแข็งมก็ไหลออกไปทางอื่นโน้นระลึกไปทางอื่นซะแล้ววันนี้ร ะ, ะลึกนอกออกไปจากจิตจากใจไปแล้วเอา้าถ้าผู้ที่เข้าใจดีออกไปก็ออกไปแล้เวเมื่อรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าออกไม่อย่างงี้นะไม่ถอยอืม เมื่อตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่เอาในทั้งหมดไม่เอาอะไรท้งนั้นเลยก็ความรู้นั่นแหละคือจิตดวงเดียวเท่านั้นเองเนียจะไปเอาอะไรล่ะก็เพราะมันเอานี่แหละสาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์อยู่นี่นะ่ะสาเหตุนี่มันจะผูกพันอยู่กับโลกอันนี้นะอันนั่นก็เอาอันนี้ก็เอาอยางงี้นะ แล้วจิตที่คนหนีจากโรคนี้ไปเลยแล้วมันผูกพันอยู่กับโลกอันนี้นี้อมันเป็นอย่างนั้นแต่ น, นั้นผู้ทําจิตใจให้รวมสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่ผูกพันกับอะไรไม่ผูกพันกับความรักไม่ผูกพันกับกับความทางความาบาัญญัติรองเวนกับใครต่อใครไม่มีบัเนี้อ่าอย่านั้นเนี่ยแล้วจิตใจนั่นก็ไม่อ่อนแอไม่ทอดแห่ไม่เฉ่อยชา เมื่อจิตใจมีบุญมีคุณไป็นเครื่องอยู่มันก็เบิกบานอยู่งั้นเว้นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่สมบูรณ์อันนั้นมันก็เป็นธรรมดาเลยร่างกายแปรปรวนกระทบจิตจิตก็ว่าวุ่นไปบ้างอจิตก็เศร้าหมองไปบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ แต่เราก็ต้องอาศัยความอดทนอย่างที่เคยแนะนำมาแล้วนั่นแหละต้องอดทนอดกั้นตรอทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในกายก็ดีในจิตก็ดีเมื่อเราอดทนได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็รู้เท่าทุกขแต่ว่านี้นะก็รู้แจ้งเลยว่าทุกข์นั่นเป็นเรื่องของขันห้าไม่ใช่เรื่องของจิต จิตไม่ยึดเอาขันห้าแล้วก็เท่ากับว่าไม่ยึดเอาทุกนั่นแหละนะมันก็ต้องเข้าใจกันอย่างนี้เรื่องมันนะถ้าจิตยึดเอาทุกก็เท่ากับว่ายึดเอาขันห้าถ้าจิตเอยึดเอาขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนก็เท่ากับว่ายึดเอาทุกเป็นตัวเป็นตนเป็นของคู่กันนี่ความทุกข์กับขันหา้าภาคกันไม่ได้เมื่อขันห้ายังมีอยู่ตราบใด ทุกทั้งหลายก็มีอยู่อย่างนั้นอบัดนี้เรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ถือวอ่าทั้งสองอย่างเลยทั้งทุกข์ท่านทั้งขันห้าก็ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นข อ, ของเราอะไรใน ว, วันนี้มะนเป็นยงนั้นก็เพียงเพ่งพี่นาเห็นว่าเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองอืม โดยอาศัยบุญบาปที่ทำมาแต่ก่อนมาประสานไว้มารักษาไว้ถ้าบาปมันตามมารักษามันก็ทำให้อย่างว่านนะร่างกายนี่ปกติอยู่ไม่ได้มีแต่โรคภัยเปียดเบียนรักษากไม่รู้จกักหายนี่ถ้าบาปมันให้ผลอยู่นะถ้าบาปมันไม่ให้ผลบุญให้ผลอย่างนี้เออร่างกายนี่ก็ห่างจากโรคจากภัย ทุกขเวทนาก็น้อยเบาบางให้คนผู้มีบุญมากนะมันเป็นอย่างนั้นเวลาจวนจะตายก็จริงๆบุญกุศลก็เปิดช่องทางให้จิตใจก็รู้สึกว่าสบายไปอมันก็ได้เสวยทุกขเวทนาแต่เวลายังไม่จวนเกียนนี่แหละฉั้นเมื่อเวลาจิตมันตกรวังเข้าไปแล้ว โอ้มันสบายแล้วมันไม่เป็นทุกข์แล้วเพราะมันปรงมันวางนี้นั่นแหละมันปรงมันวางทุกข์มันวางขันหานี่ไม่ได้สำคัญว่าตนอยู่ในทุกข์ทุกข์อยู่ในตนตนอยู่ในขันห้าขันห้ามีในตนไอ้เช่นนี้มันไม่ได้เห็นอย่างนั้นจิตแ่านี้นะจิตมันอบรมดีแล้วปัญญาบังเกิดขึ้นแล้ว มันก็เห็นโกงกันข้ามไปเลยฮทุกไม่ได้มีในตนตนไม่ได้มีในทุกทุกไม่ได้มีในขันห้าขันห้าไม่ได้มีในทุกขันห้าไม่ได้มีในตนตนไม่ได้มีในขันห้านี่ตนนั้นสมมุติเอาว่าจิตนั่นเองเง น, งอ น, นี่ยนฮะึสตังหาขันห้าตังหาอย่างงี้นะพูดง่ายๆนะ อยากรู้ได้ก่อในเมื่อเราทําใจสงบอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อใจสงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วนี่เราจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาในเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นนี่อันรูปกลายนีย่เราก็จะเห็นว่ามันแปรปวนอยู่อย่างนั้นไม่คงที่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วนะเหตุทางนั้นจิต ม, มันจึงเบือ่อหน่ายเนี่ยนะมันเห็นเช่นนั้นแหละถ้ายึดถือเอามไว้อาศัยมันนี่อยู่ตาบได้แล้วก็มีทุกข์อยู่ตาบนั้นแหละ ไอความสุขถึงมีก็มีชั่วคราวไม่ยั่งยืนอะไรเลยสุขอาศัยขันห้านี่นะนี่เราก็ต้องสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้น ะ, ะเมื่อใจนี่ถูกปัญญาอบรมถอนเข้าไปอย่างนี้มันก็ค่อยคลายความยึดถือในขันห่านี้ไปทีละน้อยละน้อยไปเรื่อยๆไปนี่เราจะไปคลายออกทีเดียวให้เด็ดขาดยังไม่ได้ เพราะอินทรีย์มยังอ่อนอยู่เห็นนั้นดังนั้นเนี่ยขอยพากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติธรรมนะ่มันก็ไม่หนักไม่หน่วง ไ, ไม่เดือดไม่อึดอัดขัดข้องอะไรในใจิตใจเพราะถ้าผูใ้ใด วางใจถูกตั้งใจไว้ถูกแล้วนี่โอ๊ยมันสบายมันเบาไม่นักไม่น่วงอะไระเปบนั้นเว้นเสียแต่คนมีกรรมมีเวรอย่างที่ว่ามาแล้ ว, ลวนั่นแหละโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนเอาจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอันนี้แทรกอเมื่อกผูดพูดพูดหนักแน่นในทางธรรมมันก็อดก็ทนเท่า น, นั้นแหละ อันจะให้มันภาวนามันระ ง, งับทุกข์ลงไปหล่อนี้ไม่ได้ดอกอ่ไม่ได้เพราะว่ารูปกายอันนี้รูปนามอันนี้มันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้นี่ดังนั้นใครจะไปภาวนาบังคับไม่ให้มันทุกข์ไม่ให้มันรุนแรงไม่ให้มันแปรปรวนอย่างนี้นะจะไปได้ยังไงอ่ะบังคับไม่ได้เลยแล้วมันรู้ชัดไตรละะักษณ์ญาณบังเกิดขึ้นในจิตใจ อย่างนี้แล้วเมื่อกอดได้ทนได้แล้วทุกขเวทนาต่างๆนะแล้วถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันจะแตกกระดับมันก็เบาไปพักหนึ่งไอ้ทุกขเวทนาน่ะนะโรคภัยนั่นนะ่ะมันก็คอยระ ง, งับไปสั่วระยะหนึ่งคอให้หายใจได้โล่งหน่อยมัจจุราชนี่มันรู้จักจยืดหยุ่นมันกันนะบางทีนะ ไอหมอนี่รักษาใส่ยายุไปไปไม่ได้ผลเลยเอาหมอนี่ยหยุดเอาหมออื่นมาวางยามันก้ทํทำท่าจะถูก น, นี่นะทำท่าจะหายเอ๊ะคนเปิดก็รู้สึกว่าสบายขึ้นมาพักหนึ่งอย่างนี่มายาของมัจจุราชนี่เก่งเอาไปเอามาเดี๋ยวกำเริบขึ้นอีกทีนี้แลําอยู่ไม่ได้แล้ว ไปไม่มียาอะไรไปช่วยเหลือได้แล้วนี่เราต้องทั้งเกตไว้มันเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยลงแล้วหมอวางยาเข้าไปมันหายมามันบรนเทามาก็อย่าไว้ใจเลยต้องทำความรู้เท่าไว้อย่างนั้นเลยบางทีพยามาัดจุราชนะมันผ่อนผันให้ พอได้เห็นหน้าลูกหน้าล้านพอให้ได้คิดพิจารณาให้รู้แจ้งในนามในลูปนี่ไปก็ดีทิมันเจราามันผ่อนผันเปิดโอกาสให้แล้วก็เร่งพิจารณาให้มันรู้แจ้งในนามในลูปว่านี้ไปเสียเห็นตรลักษณญาณตรลักษณญาณปรากฏขึ้นในปัจจุวันนั้นแยมแจ้งในใจแล้วก็อืมมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแหละ วันนี้ถึงแม้ว่าโรคภัรมันจะกำเริบขึ้นอีกในทีหลังเราก็รู้เท่าทันนะอแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่ารู้อยู่แล้วนี่ของไม่เที่ยงมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปโดยความไม่ประมาทอย่าไปลังเลเรื่องข้อปฏิบัติมีแต่ ก, กายกับจิตเท่านี้แหละ ที่เราจะต้องพี่นะให้มันรู้แจ้งอยู่นี่นะรู้แจ้งกายกับจิตนี่ได้แล้วก็โลกภายนอกไม่มีปัญหาอะไรนะนรู้แจ้งไปหมดเลยถ้ามันไม่รู้แจ้งในกายในจิตนี่แล้วมันก็ไม่รู้แจ้งโลกภายนอกเหมือนกันนะให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะแนะนำสั่งสอนให้มากมายฝ่ายกอง เขาพูดไปหลายมันยิ่งฟั่นเผือไปดังนั้นขอให้พากันรักษาเอาจิตคือความรู้สึกดวงเดียวนี่ได้ให้ได้เมื่อฝึกฝนจิตดวงนี้ให้ได้ลงไปตรลักษณะญาณบางเกิดขึ้นในจิตแล้วผู้นั้นก็บรรเทามานะทิทธีลงได้อืมเป็นคนไม่แข็งกระด้างกระเดืองมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะ มันจะแข็งกระด้างอะไรแล้วก็ยังว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนแล้วนี้ใครจะด่า ก, ก็ด่าไปใครจะชมก็ชมไปใครจะว่าอะไรก็ว่าไปเขาไม่ได้ว่าให้เราาปขันห้านู่นต่งางหากนี่มันก็มีอุบายเงียบใครในใจอย่างนี้นมันจะเป็นกนระด้างกระเรืองอะไรกับโลกภายนอกนู้นใครจะว่าอะไรทำอะไรเพื่อจะทำไปสิเราก็ตามรู้เท่ารู้ทันมันอยู่อย่างนี้ เลยไปเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่เดือดร้อนในบันนี้นะเวลาจวนจะตายมันก็มีสติเต็มที่เลยวันนี้เพราะมันได้ฝึ ก, กจิตเมื่อเวลายังปกติดีอยู่ก็ได้ฝึ ก, กจิตให้ตั้งมั่นลงได้เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ฝึ ก, กจิตให้มันอดมันทนให้มันรู้เท่าทุกข์รู้เท่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นนะ จนชินอยู่ในใจเลยวะนี้จนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยสั้งขานนามรูปความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้ความเป็นทุกข์ทนด้ยากลำบากความเป็นอนัตตาของนามของรูปวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองเนี่ยเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันจึงไม่ไม่เห็นว่าเป็นของแปลกมันแปลโปรนไปมันก็รู้ชัดไปตามเป็นจริงไปอย่างนั้นไม่เห็นเป็นของแปลก พ็รู้แล้วนี่รู้มาอยู่โดยลำดับอยู่นี้มันจะตื่นเต้นอะไรแล้วแต่ถ้าพูกว่ามหมายแล้วก็อย่างว่านั้นแหะมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่พูกว่ามหมายแล้ ว, ลวไม่มั น, พ, นพิจารณาแล้วมอนเวลามีภัยที่บัตรต่างๆอะไรมาถึงเข้าก็อย่างว่าลืมอนิจจังทุกขังอนัตาไปเสียหมดแล้ว จิตกับสําคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเข้าไปแล้วสําคัญว่าเราเจ็บตรงโน้นเราป่วยเราจะตายอะไรต่ออะไรเข้าไปแล้ววันนี้นะนี่แหละมันหลงอ่ะมันหลงยึดถือขันห้าต่อไปอีกแล้วดังนั้นเราต้องมีสติติดต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยไปต้องนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตต า, าอยู่เรื่อยเรืย ต้องกำหนดจิตรู้อยู่ว่าจิตตนนั้นรู้แจ้งในขันห่านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นเพ่งเข้าไปหาจิตนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นจิตรู้ขันห่าทำเป็นจริงอยู่นี่ติดต่อกันไปเรื่อยๆไปงานความรู้อันนี้มันก็แจ่มแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆไปมันก็กำจัดความเห็นผิดเป็นชอบ ต่างๆนานาออกไปได้ความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีของมนี้มันก็ดับไปหมดเลยเมื่อความรู้จริงอันนี้บังเกิดขึ้นแล้วดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้